วริโยไทยไขยแสงใกล้แจ้งแล้วฝูงวิหกร้องเจื้อแจ้วแสวงหาซึ่งอาหารทยานไปในนภาหมู่ปักษายังขยันหมั่นหากินท่านที่รักจะซบนอนอยู่ใหญ่เล่าตื่นแต่เช้าเพื่อเกาจิตเป็นนิจสินสแสวงหาพระธรรมองค์สามมาเป็นอาจินทำละล้างซึ่งบนทินออกจากใจ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 เป็นปัญญาบารมีชี้แจมใสเมื่อไม่หลงเพลิดเพินเมื่อเดินไปเธอนน้าซ้าตื่นขึ้นรับสับว์ธรรมเช้านี้ก็เริ่มต้นด้วยก่อนธรรมะเสียงปลุกรับประรุณกนเนี่ยผู้แต่งแต่งไวด้ดีถ้าเราพิจารณา ด, ดีมีแง่คิดสงที่ปลุกให้เราเนี่ยตื่นขึ้นมาไล่ความง่วงเหงานอ น, อนขึ้นมาทำความดีหรือความเพียร เราก็เตือนไม่ให้ประมาทเพราะเราไม่รู้เจะตายเมื่ อ, อไหร่เราก็ต้องสร้างบุญบา ร, รมีไว้ก่อนธรรมะก็มีแง่ที่ดีมากอันมาเนี่ยตั้งชื่อธรรมะที่เลวงพ่พูดทุกครั้งว่าธรรมะเก็บตกรับรอรุณเพราะเราเก็บตกเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังกันมีก้ออีกกอนหนึ่งอันนี้ก็แต่งไว้ดีเหมือนกันอ่านมาอ่านแล้วก็สะดุดใจแล้วก็ไปที่มาที่จะพูดในวันนี้ตอนนี้ชื่อว่าผู้ให้กับผู้รับควรบำเพ็ญทานซึ่งการให้ ท่านว่าไว้สวยงามสามสถานหนึ่งให้ของสองธรรมะชนะมารอภัยทานที่สามงามเหลือเกินเป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นยาจบมีคนยกคนรับมีศักดิ์ศรีเป็นผู้ของ้อเขาไม่เข้าทีเสียศักดิ์ศรีคนชังลังเกียดเราสองฐานะวิจัยให้เห็นแจ้งอย่าเครือบแคงกังขาอย่าง้อเขา เป็นผู้ขอผู้ให้ตามใจเราจงเรื่องเอาอย่างไหนคิดให้ดีก่อนนี้ก็ไปเชื่อมโยงกับนิทานเรื่องหนึ่งที่นรกวิญญาณสองตนถูกโยมบาลตัดสินให้ไปเกิดใหม่พอพ้นโทษแล้วพญโยมก็ให้โอกาสวิญญาณทั้งสองเนี่ยว่าจะเกิดไปที่ไหนดีโดยข้อแม้ให้เลือกสองข้อข้อ ห, หนึ่ง เกิดไปแล้วทั้งชีวิตเนี่ยจะต้องเป็นผู้ให้สิ่งของแก่ผู้อื่นตลอดชีวิตข้อที่สองเกิดไปเป็นผู้ต้องได้รับของจากผู้อื่นตลอดชีวิตให้เจ้าสองคนเรื่องเอาวิญญาณตนแรกรีบสมัครเลยขอไปเกิดเป็นผู้ที่ต้องรับได้รับของตลอดชีวิตพยโยมก็ชี้หน้าแล้วเอ่ยขึ้นว่า ดีเจ้าไปเกิดเป็นขอทานก็นแล้วกันตลอดชีวิตเนี่ยจะต้องรับสิ่งของจากผู้อื่นอยู่เสมอพอเจ้าโลกส่วนวิญญาณอีกคนนึงให้ไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีอยู่บ้านเศรษฐีตลอดชีวิตเนี่ยให้ต้องบริจาบุญทําทานช่วยเหลือคนอื่นตลอดชีวิตหลังจากพญาโยบตัดสินเสร็จก็ทําให้วีทั้งสองอึ้งเลยเพระโยบาลตัดสินไปแล้วเรื่องนี้ก็จบจิตที่คิดจะให้เนี่ยดีกว่าจิตที่คิดจะเอา นั่นเป็นผู้ให้กับผู้รับเนี่ยเป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นผู้รับเนี่ยบางทีแค่คิดก็หนักแล้วแต่ถ้าให้เราให้ได้เลยแต่ต้องไม่เดือดร้อนนะให้แล้วตัวเองก็ไม่เดือดร้อนไม่ใช่ไปหยิบไปยืมเงินคนรู้ดนี้มาให้คนนี้แล้วไปเบียดไปคนอื่นอย่างนี้ไม่ถูกต้องให้ต่างกำลังที่เราช่วยได้อันนี้ให้แล้วมีความสุขอีกเรื่อ ง, นงหนึ่งชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งถือว่ามีชีวิตที่เฟอร์เฟกสมบูรณ์แบบอะ หน้าตาดีการศึกษาสูงฐานะทางบ้านร่ำรวยวันหนึ่งพี่ชายก็ซื้อของฝันมันเกิดให้คือรถสปอร์ตคันหรูชายคนนี้ก็ดีใจแล้วก็นำรถสปอร์ตนี่แหละไปขับเที่ยวเพื่อลองรถและชมวิวหลังจากชมวิวจนเหนื่อยขับรถจนเหนื่อยก็จอดพักระหว่างนั้นก็มีเด็กชายคนหนึ่งอายุประมาณสิบขวบเนะ่ยชอบรถมากแล้วก็เดินเข้ามาลูบไปลูบมา เจ้ารถเห็นก็เ อ, อย่ยว่าน้องเบาๆหน่อยแต่รถพี่เป็นลอยเด็กก็เอ่ยถามว่ารถของพี่เนี่ยงามจังพี่ซื้อเองเหรอเปล่ปาหร อ, อกพี่ชายของพี่ซื้อให้พี่ขอความันเกิดชายหนุ่มตอบอย่างภาคภูมิใจเล็กได้ยินดังนั้นก็บอกโอ้โ oh, ห oh แล้วอยากจะพูดแ ต, แต่ว่าเสียงตะกุกตะกักพูดไม่ออกชายหนุ่มก็คิดว่าเด็กเนี่ยคข อ, อิจฉาตนและคิดขึ้นมาได้ จึงไม่กล้าพูดต่อสะพังเด็กก็พูดขึ้นมาโอ้โหดีจังเลยผมอยากเป็นแบบพี่ชายของพี่บ้างผมจะได้ซื้อรถให้น้องผมได้นั่งบ้างคําตอบนี้สร้างความตะลึงให้กับชายหนุ่มเพราะโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยอยากจะเป็นผู้รับสิ่งของจากคนอื่นมากกว่าแต่เด็กคนนี้มาแปลกอยากจะให้จึงชวนเด็กเนี่ยไปนั่งรถเที่ยวกันไปนั่งรถเที่ยวกับพี่ไปไหมเด็กก็ รับปากทั้งสองคนก็ขึ้นรถชายหนุ่มก็ขับรถไปชมแถวบริเวณนั้นแหละสักพักหนึ่งเด็กก็เอ่ยขึ้นว่าพี่ช่วยช่วยขับรถไปที่บ้านผมได้ไหมชายหนุ่มก็คิดในใจโอ้เด็กคงอยากจะอวดรถให้ทางบ้านได้เห็นไม่เป็นไรไหนๆก็แล้วจึงพาเด็กไปส่งที่บ้านค่ะถึงบ้านเด็กบ้านเด็กมีสองชั้นนะบ้านกับบ้านไม้เด็กก็วิ่งขึ้นไปบนบ้านเลย ผักสักพักหนึ่งก็อุ้มเด็กตัวเล็กขาพิการลงมาด้วยแล้วชี้ไปที่รถเนี่ยนั่นรถสปอร์ตคันงานที่พี่เล่าให้ฟังเนี่ยพี่ชายของเขาซื้อให้สักวันหนึ่งพี่จะซื้อให้น้องได้นั่งบ้างโอ้ชายหนุ่มรู้สึกซาบซึง้งเด็กคนนี้มากจึงเดินเข้ามาอุ้มน้องชายที่ขาพิการเนี่ยแล้วก็เด็กคนเนี้ขึ้นรถไปเที่ยวกันแล้วก็รู้ว่า สุขได้ยิ่งกว่าการให้คืออะไรโอเรื่องนี้ก็มีแง่คิดนะตรงที่ว่าเด็กคนนี้มาแป่งนะคิดที่จะให้แทนที่จะอยากจะรับของจากคนอื่นมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นนิทานเซนที่ว่าเซนแห่งหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งก็มีขอทานเดินมาขออาหารขอทานคนนี้ก็มีแขนข้างเดียวมาขอกับอาจารย์เซนอาจารย์เซนก็แทนที่จะให้ อาหาเลยนะกับชี้ไปที่กองหินบอกโยมขนกองหินกองนั้นน่ะไปข้างหลังจากจากหน้าสาลาลงฉันเนี่ยไปหลังลงฉันกองนึงก็ไม่ถึงกัใหญ่มากก็คงจะเยอะอยู่ขอทานไม่พอใจรู้สึกว่าตัวเองแขนเดียวจะยกหินได้ยังไงทำท่าจะเดินอยากวัดไปจานเซนก็คนหินให้ดูแหละโดยคนหินใช้แขนข้างเดียวขนทีละก้อนทีละก้อนขอทานเห็นอย่างนั้นก็ ลองขนดูขนจนหมดกองหลังจากนั้นอาจารย์เซนก็ให้เงินก้อนหนึ่งเคื่อที่สร้างความเซอร์ไพรส์กับขอทานขอท า, านรู้สึกซาบซึ้งมากขอบคุณแล้วขอบคุณอีกขอทานก็ไม่คิดใจะจะได้เงินไแล้วรู้สึก ต, ตัวเองมีคุณค่าขึ้นมาทันทีเลยอาจารย์เซนบอกไม่ต้องขอบคุณหรอกเพราะนี้คือเงินจากแรงงานหยัดเหงื่อของโยมอย่าโผ่ปลื้มขวรปลื้มใจไว้ทํางานจากน้ำพัดทําแรงขอาทานซาบซึ้งใจเลยบอกจะไม่ีวันลืมแล้วก็จากไป หลังจากนั้นไม่นานก็มีขอทานแขนขาดีเข้ามาขออาหารที่วัดอาจารย์เซนก็ชี้ให้ขอทานเนี่ยคนอิหินจากหลังลงฉันไปหน้าลงฉันขอทานไม่พอใจเลยแบบเป็นเล ย, ยการกระทำของอาจารย์เซนเนี่ยสร้างความงงให้กับพระในวัดจึงเคยถามว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ต้องให้เอาหินจากข้างหน้าไปข้างหลังจะให้เอาหินจากข้างหลังมาข้างหน้าได้หรือ อาจารย์ก็เอย่ยขึนว่าหินจะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังไม่สำคัญหรอกแต่สำคัญที่ขอทานจะยอมย้ายหรือเปล่าเท่านั้นแหละผ่านไปหลายปีขอทานแขนเดียวก็มาเยี่ยมอาจารย์เซนต์ตัว น, นี้มาในมาสใหม่นะแต่งตัวหรูเลยไม่ได้เป็นขอทานแล้วเพราะหลังจากที่อาจารย์เซนให้เงินไปเนี่ย เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าขึ้นมาจากการทำงานนะเขาเลยเลอกขอทานแล้วไปไประกอบอาชีพที่ที่ทาได้ตามความสามารถของร่างกายจนมีฐานะขึ้นมาชีวิตก็เปลี่ยนเลยส่วนขอทานที่ไม่ยอมขนกองหินก็ยังขอทานเหมือนเดิมอันนี้ท้าหอสอนใหญ่นะบางครั้งถ้าคนเราเห็นอุ่ข้างตัวเองเนี่ยมันจะมีพลังชีวิตขึ้นมาพลังงานทางบวก แล้วก็สามารถพัฒนาตนเองได้แต่ละคนไม่เห็นคุณค่าของชีวิตแล้วมีพลังงานทาําทางลบมากเนี่ยมันก็ไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เลยจะอยู่ที่เก่าหรือแยกกับเดิอบไปเรื่อยๆนั่นคนเรามีศักยภาพที่ดึงพลังงานด้านบวกหรือความดีออกมาใช้อยู่ที่จะเจอและคบกับใครเท่านั้นแหละบางคนก็ไม่สามารถดึงขึ้นมาได้เพราะไปคบคนคล้ายกันคนที่มีอุปสงค ล, ลกรรมเยอะเนี่ยแต่ละคนที่มีอุศสเยอะเนี่ยจะมีพลังงานด้า น, านบวก มองอะไรเป็นบุญเป็นหมดสามารถทําดีได้ทุกรูปแบบที่ตัวเองทําได้นะแล้วทําบาป ก, ก็ยากแต่ละคนมีกุศลจิตเยอะเนี่ยมันทําบาง่ายหมดแหละนั่นก็เป็นเพ่งโทษด่าคนอื่นคิดร้ายเห็นกรตัวจองเวรหรือหรือหรืออะไรอื่นอีกมากมายที่จิตที่จิตมันปรุงแต่งนะแต่บางคนคิ ด, ค, ดคิดบวกมีเมตตาเนี่ยมันจะอยากช่วยอยากช่วยให้คนอื่นมีความสุขเพราะการช่วยคนอื่นมีความสุขเนี่ย ความสุขนั้นก็ย้อนมาหาเราทันทีเลยบุญสามารถทําได้ง่ายถ้าทําเป็นนะทําให้เป็นก็ทํายากอยู่เหมือนกันทำแล้วมันก็ได้ผลเมื่อวานะอารามาก็ยืนมองต้นกล้วยต้นกล้วยที่กุฏิเนี่ยเริ่มสุขเราก็คิดไว้เอาไปให้ลงครัวดีกว่าแต่ที่ต้นกล้วยอยู่สูงนะเ่ยเขือกล้วยอะ่ะเราเอื้อมไม่ถึงถ้าตัดกล้วยก็ก็กลัวมันจะหล่นมากระแทกพื้นเสียหายนึกขึ้นมาได้หลวงวิทุ้มเนี่ยเดี๋ยวต้องไปลงครัว ตามหลวงวิุ้มมาช่วยตัดดีกว่ากล้วยคงไม่ช้าหลวงวิุ้มก็รีบมาช่วยเลยถือ ก, ะกะอระดกระดอลูมิเนียมอะ่ะแล้วก็ถือพ้ามาอธมาก็ช่วยจับหลวงวิทุ้มมอขึ้นใบเพื่อตัดกล้วยแล้วเอื้อมือไปจับกอกล้วยแหละเครือกล้วยมันก็หนักเหมือนกันนะแต่เราไม่รู้ว่าหนักนะอธมาก็จับขาขากระดให้หลวงวิุ้มจับมันเหมาะแล้วแกก็เอาพ้าฟานก้านกล้วยทันที ยมรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเนี่ยหลวงพี่ตุ้มก็ไปทางหนึ่งกล้วยก็ไปทางหนึ่งเพราะว่าคว า, ามหนักของกล้วยมันดึงหลวงพี่ตุ้มร่วงกระได้เลยแต่หลวงพี่ตุ้มไวมากนะพอกล้วยกล้วยดึงตัวเลยรีบปล่อยกล้วยไงตัวเองก็กระโดดลงไปนั่งก้จะเบ้าอยู่คือไม่ได้บาดเจ็บอะไรอมยิ้มขำขำกันว่าผลลัพธการคำนวณผิดคิดว่ากล้วยไม่หนักแต่ที่มันหนักมีน้ําหนักมากเราทํางานผิดวิธีไง รู้ไม่จริงทั้งคู่อะ่ะเป็นประสบการณ์เพราะไม่เคยตัดกล้วยก็เลยรู้ว่าภายภาคหน้าเนี่ยเราตัดยังไงแม่กล้วยตกมาระบอบช้ําและแม่อันตายอันนี้ก็เป็นอุทาหอนเรื่องหลุยตุ้มก็มียังมีอีกนะมีเรื่องหน้าเล่าหลุยตุ้มเขาก็อันมันก็เลยเล่าแทนท่านก็นแล้วกันเอาไว้เป็นแง่คิดดีๆหลุยตุ้มเนี่ยเป็นคนที่รักษัพถ้าอยู่ผู้หลงเนี่ยถ้าจะเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวเนี่ยแม่มันก็ต้อง ก็ต้องเมตตาจริงนะเมตตาทําไม่ได้หรอกเพราะต้องซื้ออาหารให้แมวไหนจะซื้อของเล่นให้แมวไหนจะดูแลพบที่ภูหลงเป็นป่าใหญ่แล้วก็มีงูเหลือมตัวใหญ่ๆเยอะอันนีต้องระวังไม่ให้งูไปเล่นไม่ให้แมวไปเล่นไกลแต่ตัวแล้วตัวเล่าแมวก็โดนงูมาเค็มเหือบไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งอันมาไปเยี่ยมหลวงวิทุพิคุติแล้วนะไปถ่ายรูปกับแมวรู้สึกว่าจะมีแม่แมวด้วยแล้วก็ลูกแมวสี่ห้าตัวด้วยแหละ กำลังโซนเลยน่ารักลูกแมวเนี่ยก็วิ่งเล่นมันตามภาษาแมวซนเนะ่ะขึ้นไปบนกุฏิหลูงวตทูมเนี่ยเละเป็นโจกเลยฮนะผมปรากฏว่าแมวมันแมวมันทํากุฏิลกหมดเลยนะซึ่งถ้าคนไม่รักแมวมันเลี้ยงไม่ได้นะเพราะแมวกวนนะแต่หลูงวตุูมแกก็รักเหมือนลูกกุฏิเละเทะก็เอายวนๆหน้าที่หลูงวตุูมก็คือดูแลเขาหาอาหารมาให้ทะลุถ น, ถนอมแต่สิ่งที่นํามาพูดก็คือความรัก มันก็มีความผิดหวังผนอยู่แมวตายไปเนี่ยตัวแล้วตัวเล่าทุกครั้งที่แมวตายหลุยตุมก็ทุกแล้วก็เสียใจเพราะมีความผูกพันกับแมวแต่ถ้าก็ยังไม่เข็ดนะถ้าก็เลี้ยงเรื่อยๆต้งหลายปีจนมาตรงสุดท้ายที่สุกโตเนี่ยแมวชื่อโอเลี้ยงแมวตัวนี้น่ารักไอมาเคยถ่ายรูปลง Facebook บ่อยๆเป็นแมวพันธุ์ได้รูปมาจากโยมตุ๊กอะโอเลี้ยงเป็นแมวที่น่ารัก ใ ค, ใครเห็นก็อยากมาอุ้มเลยซึ้อแมวตนนัวนี้หลวงพี่ตุ้มจะรักเหมือนลูกเลยลนะ่ะซื้อก็ลงทุนไปเยอะนะรักเหมือนลูกหลังจากออกพรรษาหลวงพีตุ้มก็านาแมวนะีไปอยู่ผู้หลงด้วยอนาคก็ผูกพันกับโอเลี้ยงและโอเลี้ยงวิเลสิกุดบ่อยโอเลี้ยงโซนแล้วก็เป็นแมวที่ไม่ระวังภัยเลยประมาทมากเข้าไปอยู่ในดงดงเพราะกุฏิว่าเป็นป่าไงนะโอเลี้ยงก็ไม่กลัวตมามภาษาแมวไม่รู้ความไรอย่างศา เราคิดอยู่ในใจว่าโอเลี้ยงถ้าอยู่ผู้หลงให้โดนงูเหลี่ยมกินน่้แต่ลูกพี่ตุ้มก็วัดใจนะก็เอาแมวไปเลี้ยงกูหลงจริงๆอ่ะเอาโอเลี้ยงไปด้วยผ่านไปหลายเดือนโอเลี้ยงก็โดนงูเหลี่ยมกินจนได้แล้วแม่ที่ลูกพี่ตุ้มเลี้ยงก็โดนกูกินหมดเลยสิบดตัวหลายปีนะนั้นการที่มีเมตตาเมตตาช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสัตว์หรือทํางานทําความดีเนี่ยมันก็ไม่พอนะเพราะว่าบางครั้ง มันก็ต้องทุกข์ด้วยถ้าเรายึดถือความดียึดถือการกระทำนั้นๆงานทุกยูนิดหรือสัตว์ธรรมชาติต่างๆเนี่ยเราต้องปล่อยวางด้วยอย่างที่หลวงพี่ตู้ปล่อยกล้วย ห, หล่นไอ้รู้จากมือถ้าไม่ปล่อยก็ต้องบาดเจ็บอะเมื่อวานเนี่ยพอปล่อยก็เลยไม่เจ็บทาําความดีถ้าเรายึดเราแบกเราก็ต้องทุกข์กับความดีนั่นแหละถ้าเราปล่อยเราไม่แบกทําแล้วก็แล้วไป คอยเราทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนอามาก็บอกว่าอาณาเนี่ยมีผู้หญิงเขาเขาขอความช่วยเหลือเขาทุกข์มากหาทางออกไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าเจ็บป่วยหนักต้องอยู่โรงพยาบาลให้น้ําเกลือขาดที่พึ่งทางใจเขาก็ฟังธรรมะตามยูทูบอาจารย์โน้นอาจารย์ น, น, าายนี้แล้วก็ไปทําบุญวันโน้นวันนี้อยู่ประจําที่หน้าเฟซเขามีแต่ทําบุญตลอด เดี๋ยวปล่อยนกปล่อยปลาเดี๋ยวถวายสังฆท า, านแล้วสลังเขาอกหักถูกแฟนบอกเลิกเขาเสียใจมากเลยอัลมาก็พูดปลอบใจเขาไปบอกเขาไปเจะเนื้อคู่เราแล้วก็เขามาขอหนังสือธรรมะอัลมาไปขอจากพระอาจารย์ไปสารนั่นแหละอาจารย์ก็เมตตาให้มาแล้วก็อหนังสืออัลมาให้ด้วยเพื่อให้เขาได้อ่านให้เวียงกำลังใจสู้ชีวิตอัลมากรีบไปส่งเลยที่ไปทันทีส่งด่วนแต่ตัวตัวที่เราทำเราทําทำด้วยใจปล่อยวางนะเราไม่ได้ทําเพราะ อยากได้อะไรทำงา น, นเราทำเพราะอยากช่วยเขามากกว่าช่วยแล้วก็ระวางอุเบกขาไนงะแต่เราต้องทำให้ดีที่สุดบางทีเราปล่อยวางปล่อยวางถ้าปล่อยเป็นร้องทําหน้าที่ด้วยนะบางทีปล่อยไม่เป็นนี่อุ้ยฉันว่างฉันวา ง, วางอะไรเงี้ยไม่ยอบไปเสพสารรับผิดชอบไม่ช่วยเหลือคนอื่นอนะันนี้ก็ไม่ถูกต้องเราก็ต้องปล่อยวางแบบทําหน้าที่แต่ทาแล้วไม่ยึดไงเพราะบังสิ่งที่เรายึดเนี่ยมันไม่ไม่ได้เป็นกำังใจเราหรอกอย่างดินฟ้าอากาศ อย่าง น, นมามาพูดใโยมฟังเนี่ยถ้าวันไหนฝนถล่มขึ้นมาอันมาก็พูดไม่ได้อันมาก็ทําใจเวล้เออวันนี้ฝนตกก็ดีเนาะเราไม่ได้พูดวันไหนฝนไม่ตกไฟไม่ดับหรือสิ่งต่างๆเป็นใจเราก็ดีเนาะที่ได้พูดทุกสิส่ทุกอย่างที่เราทําเนี่ยเรามองในแง่บวกด้วยแต่เราก็ปล่อยวางด้วยแล้วมองโลดในความปจริงด้วยแต่มันก็ต้องใส่ประสบะการณ์นะช่วงเวลาใหม่เราคิดอีกอย่างหนึ่ง เราบางทีเราจะเอาผิดเอาถูกเอาเหตุเอาผลแต่ถ้าเราภาษามากขึ้นเรามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นเราเริ่มรู้แล้วว่าเเหตุผลเนี่ยเป็นชีววิทยาการทะเลาะ ก, กันเอาผิดเอาถูกเมื่อก่อ น, น, นมาเคยอยู่วัดอยู่วัดหนึ่งนะวัดนี้วันนี้นเข้งมากเลยวัดเขาสัมพัทธ์ดีตอนนั้นมาภาษาสองมะไปอยู่เมื่อประมาณปีสีนะ่สองอะไปอยู่วันนี้ไปใสห่หลวงพ่อสนองวันนี้ก็มีหลวงพ่อสํารวมเป็นประธานสงฆ์วันนี้ไม่จับเงิน วันพระเนี่ยลิสเซชิฟทั้งคืนเลยพระนี่กลัววันพระกันเลยวันพระนี่เอาอีกแล้วคือเดือดรอนแล้วก็ตื่นดึกกว่าเรานะทวารตีสามอะตีสองครึ่งนี่ะระฆังกล้องละกล้องวัดละแล้วส่วนมันก็ยาวเหยียดส่วนบนเนี่ยชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นั่งสมาธิาอีกจะหนักกว่าวัดเรามากแล้วหมู่ต้องทําตามนะถ้าไม่ทาตามก็อยู่ยากเพราะว่าหมู่เขาเนี่ยแข็งแล้วเค่งไม่ชีจะมาทําวัดลูกกับพระไม่ได้ต่างคนต่างทำเหมือนหนองอ้อพงอนะ คือจะมีที่ส่วนบนต่างหากวัดเราเป็นวัดเปิดทุกปารีโมงเนี่ยพระจะทะเลาะกันทุกครั้งเลยเพราะว่าพวกพระใหม่เจะเข้งไงบางก็เอ้ทํานี้ท่านผิดนะทําอย่างนั้นท่านผิดนะจะมีปัญหาหมดอัตมาเนี่ยนะตอนนั้นภาษาสองไอพ้พระที่นั่งเหนืออัตมาเนี่ยก็ภาษาสองเหมือนกันพระที่นั่งใต้แล้วก็ภาษาสองแต่อายุมากกว่าอัตมานะเพราะเขาอายุสี่กว้างคููอัตมาตอนนั้นเพิ่ง30สิบต้นต้นเองบางทีก็ทะเลาะกันเอาเราอยู่กลาง อยู่กลางขสองคนเนี่ยตอนแรกก็ท่านวัดเมาชักบึงกูแล้วบึ้งยาไงาจะต่อยกันแล้วเราร้องเป็นกรรมการห้ามมวยเรื่องเพ่งโทษไปเพ่งโทษมาเนี่ยพอก็กถือทํำวินัยตามตัวหนังสือไอ้นุกศผิดอันี่ก็ผิดยิ่ง<ม>พัฒนรมยุทยจะเค้งเรื่องประเคนบางทีแทบทะเลาะกันอะบางทีไม่ฉันก็มีเพอาะาจากเขาสอบไว้เองกันแต่ที่นั้นเขาทะเลาะกันจริงเดี๋ยวเขาก็อยู่ในสานักที่บู๊แข่งเดี๋ยวเขาขอเข้ามาลาโทษกับสารวิผิดนะเพราะว่าปลงอบัตเช้าปลงบัตเย็นพระจะกลัวบาปเลย พอทะเลาะเอาความหลงก็เผื่อตัวก็จะขอเข้ามากันจึงไม่มีปัญหาอะไรปงอบัตต้องสารภาพผิดด้วยนะว่าไปทำอะไรทำยุงตายเหยียบหอยทากตายหรือไม่ด่าก็ู้คนนี้อะไรเงี้ยให้ทุกคนเดี๋วได้เคลียร์ทุกวันสุดแล้วทําความดีหรือให้ช่วยผู้อื่นและเมตตาเนี่ยจะต้องมีการปล่อยวางด้วยถ้าไม่ปล่อยวางก็ทุกข์เพราะเปการยึดมั่นถือมั่นในความดีสว่วนธรรมแล้วมันจะมีเรื่องเปรียบเทียบไง่าคนอื่นไม่ทาดีอย่างเงี้ยฉันทําอะไรเงี้ยทุกหมดเลย กลไกที่ดีก็คือการกลั่ปล่อยวางอย่างหลวงวิตุ้มเนี่ยมีเรื่องที่ดีหลายเรื่องคือท่านเป็นคนที่ตรงถ้าไม่โกหกตัวเองนะถ้าทุกครั้งก็บอกท่านทุกดีใจก็บอกดีใจทําอะไรก็บอกอย่างนั้นบางทีอย่างเมววื่อวานเนี่ยอาจายังชอบท่าอยู่อย่างอาจารย์ถามว่าตุ้มทำอะไรผมเพิ่งตื่นครับตอนนั้นเราก็ดูนาฬิกาเฮ้ยนี่มันข้ามโมงแล้วตุ้มสารภาพรู้วิชายว่าแทนที่จะโกหกอาจารย์เขได้ตุ้มไม่โกหกบอกว่าผมเพิ่งตื่นครับเพิ่งตื่นครับ ทุ ก, ก็บอกทุกอันนี้คือการไม่หลอกตัวเองแล้วไม่หลอกคนอื่นตรงไปตรงมาคิดเรี่อตัวเองอันนี้ฝึกเรียนธรรมะได้แต่ละคนที่หลอกลวงทุกก็บอกไม่ทุกคิดก็บอกไม่คิดพูดเรียนธรรมะยากนะเพราะมันมีการปิดกั้นไม่เห็นตัวเองตรงไปตรงมาไงนั้นสามารถจึงเป็นเรื่องของตรงไปตรงมาอาจารย์ไปสารก็เน้นให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยทำบำบีแล้วต้ปล่อยวางด้วยความดีนั้นถ้าทําบำบีแล้วยึดจะต้องทุกจะได้บทเรียนอาจาพูดมาก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาเอวัง